พี่น้องเอยอีสานเฮาเอาใจห้อยเป็นมาไลาถวายพอ่อประนมมือขึ้นจอก่อองค์พ่อเจ้าให้ยังยืนดวงพระไทยให้สดชื่นบอมีอื่นดอกมาปนผู้มีพ้นพ่อไทยลูกถวายบังคมน้อมพ่อเอ๋ย สมเด็จผูมีพลทัน รพระนามพองแฟนหินแดนพย า, ยามส่งทา มาฟ้าและดินทดแทนไม่สิ้นอยากเสกโสม ย, ยนโลกโอ้ยแด่ไทยได้ไทยไทยทุลายทำใเช้ชาวประชาประนมน้อมส่งเสื่อนทุกวันคืนใจน้อมติดต่อตั้งพระองค์เจ้าเอาไทยน้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระ